เยี่ยมป่วยโยมที่เคยอุปถัมภะอายุก็ยังไม่มากแต่ว่าป่วยเป็นโรคร้ายโรครักษาไม่หายนะไปเห็นแล้วนะโยมมาโทษบอกข่าวไปเห็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะทำยังไงพอมัน สุดวิสัยสิ่งที่สุดวิสัยมันมีถ้าพอที่จะดูดูในวิสัยก็พอที่จะเยียวยารักษาได้แต่มันสุดวิสัยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ท, กทาุกท่านอีกสักวันหนึ่งสิ่งที่สุดวิสัยอย่างที่ว่าน จะต้องมาเยือนพวกเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้ไม่ใช่บอกให้กลัวไม่ใช่คโคูพูดตามความเป็นจริงมันจริงจด้วยจริงขนาดไหนถ้าร0อยเอร์เซ็นก็เกินร้อยอย่างนั้นมันจริงขนาดนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบุญกุศลสังสมคุณงามความดีเอาไว้ในวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเจ็ดแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนแต่ตามไม่จริงวันพระหน้าเดือนทีแล้วเนี่ย เป็นวันพระเดือนหกเพนแต่ที่เป็นแปดสองโหนเข้าฮอลยยอนยืดไปอีกวันพระน้านเป็นวันมิสาขาบูชาวันนี้ตรงวันที่ย4สิบสี่พฤษภาห้าศนเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่ง บอกเรานัดระชุมกันทุกวันพระแปดคัมสิบห้าคัมปฏิบัติมาโดยสม่ําเสมอวันนี้ก็คือวันหนึ่งเป็นวันรวมกันปฏิบัติธรรมแต่ว่าตามไม่เจียงการปฏิบัติธรรมนั้นการไม่รวมกันการรวมกันกับการไม่รวมกันอันไหนดีกว่ากัน ถ้ามีคำถามขึ้นมาอย่างนี้มันก็แยกเป็นสองถ้าว่าคนท่านผู้ใดไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาะวอกฝึกขัดเบื้องต้นฝึกขัดเริ่มแรกการรวมกลุ่มการปฏิบัติรวมกลุ่มกันจะดีกว่าเพราะว่าเราจะนั่งจะหยุดก่อนก็ไม่ได้อายเขาก็เลยฝืนสู้ พอฝืนสู้หลายครั้งหลายหนเราก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติเคยชำนิชำนาญแล้วรู้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วการนั่งกับหมู่ไม่ดีมันวิตกกังวลมันลำคาญเสียงผู้ที่เกี่ยวข้องได้หลายคน มันคล้ายๆอย่างน้อยกับกจิตมันส่งออกไปหาหมู่พวกเพื่อนมันสู้นั่งตามลําพังคนเดียวไม่ได้การนั่งปฏิบัติตามลําพังคนเดียวนั้นจะดีกว่าถ้าผู้ปฏิบัติเคยปฏิบัติมานมนานเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มันท่านจึงไม่นิยมให้เป็นเข้าคอร์สเข้าคอร์สเรียว่า เข้าหมู่นั่งสมาธิแต่พวกเราทำนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นการประยุกต์มาใช้ถ้าว่าพวกเราที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาไม่เคยเห็นวิธีการนั่งสมาธิเฉลยพวกเราก็ไม่รู้จักวิธีว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นยังไงเพราะนั้นจึงประยุกต์เข้ามาใช้ แต่ให้พวกเราถือว่าการเอามาใช้ด้วยว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่แนวแถวของหลวงปู่มันถ้าเป็นหลวงปู่มันหรือหลวงตามหาบวัวหลวงปู่ายเป็นลูกศิษย์ที่เก่าแก่ของท่านท่านจะไม่ทำท่านจะฝึกหัดเวลาสอนก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนะนั่งอย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะกาหนดอย่างนี้นะห็ะจากนั้นท่าน ก, จก็จบสรุปแล้วก็คือการ ปฏิบัติของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าหรือตลอดถึงครูบาอาจารย์แนวแถวสายของหลวงปู่มั่นของเราท่านสอนวิธีการปฏิบัติสอนให้รู้จักคุณค่าสอนแนวทางปฏิบัติท่าว่าท่านสอนแล้วเราไม่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะท่านบอกแลนะ้วไง แต่ตามจริงท่าว่าอย่างของหลวงปู่เหมือนกันครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยเหมือนกันที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปูล่ลานไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่หลวงปูล่ลาจนจะพานั่งภาวนาแต่หลวงตามหาบัวก็เหมือนกันโดยมากเวลาเข้าไปชุมก็นั่งกันอย่างพวกเรานั่งอยู่เดียวนี้ ท่านคุป prom สั่งสอนพูดเรื่องธรรมะปฏิบัติพวกเราก็นั่งฟังพอนั่งฟังจบแล้วเอ้าเลิกกันก็เปเป็นเป็นวันเลิกกันแต่สําหรับวัดของเราเมื่อเมื่อฟังจบแล้วหลวงพ่อเอานั่งสมาธิวิธีการนั่งสอนวิธีการนั่งให้ผู้ที่เพิมาพบมาเห็นมาเจอใหม่ ก็จะได้รู้ว่าวิธีการนั่งสมาธิท่านทำอย่างไรบางครั้งใน MT3 สยังสอนวิธีการเดินจงกรมให้ดูอีกเดินจงกรมทำยังไงเพราะว่าหลวงพ่อคิดว่าได้ยินหลา ย, ลายท่านหลายหลายคนวิธีการเดินไม่รู้จะเดินยังไงมันจึงจะถูกต้องเวลาเดินก็กลัวเขาจงหัวเราะ กลัวเขาจะมองกัวเขาจะดูตัวเองถ้าเดินไม่ถูกอย่างนี้กลัวเขาจะนาเอามายกมาเย้ยเล่นตัวเองก็เลยไม่รู้จะเดินยังไงก็ลบๆสั้นๆในการที่จะเดินยองกลมเพราะว่าไม่รู้วิธีการเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็สอนวิธีการเดินตามแนวแถวนี้ท่านเดินอย่างนี้วิธีการเดินยองกลมหลวงพ่อเองก็ได้บอกใน MP3 ม ถึงจะไม่เห็นเป็นรูปวิธีการเดินแต่ก็พอฟังเสียงได้ว่าวิธีการเดินนั่นทำอย่างไรแต่ส่วนวิธีนั่งสมาธิก็ยังมีตัวอย่างที่พระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงหน้าของพวกเรานั่งอย่างไรเราพอที่จะจับวิธีการนั่งของพระประธานได้ว่านั่งสมาธิทำอย่างนี้แต่ส่วนวิธีการเดินจงกรมนั้น พระพุทธรูปทเดินไม่ได้มีแต่ปางลีลาผั้งปานยืนบั่งลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงสอนวิธีการเดินโยกลมพูดในซีดีให้พวกเราได้ศึกษาไ ด, ได้ได้ปฏิบัตินี่อันนี้ก็คือการแนะนําในการยืนเดินนั่งนอนอริยบทสเราจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้จต่วนนอ น, นการนอนนอนไม่หลับ ถ้านอนหลับแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์ละเพราะนอนหลับแล้วจตว่านอนสมาธิไม่ได้มานอนหลับถ้าว่านอนสมาธิเนี่ยนคะือนอนไม่หลับเห็นบางท่านบางคนนอนหลับยากเวลานอนนคะครับนอนภาวนาเลยดีกว่า <c oughs> ยืนเดินนั่งแต่โดยมากครูบาอาจารย์ ที่ได้ินได้ฟังมากระโดยมากมีแต่เดินกับนั่งมากกว่าที่ได้รับผลในการประพฤติปฏิบัติส่วนยืนก็มีบ้างแต่เวลาเรายืนนา น, านๆรู้สึกว่าจะโมนเียนะมันจะเวียนศีรษะแต่ถ้าว่าเราเดินกับนั่งจะดีกว่าพิธีการปฏิบัติ ตีมาถามอีกว่าสําหรับญาติโยมพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าจําเป็นไหมที่จะต้องนั่งสมาธิถ้าตอบแบบกําปัญทุบเรียนก็บอกว่าถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขเข้าสู่จิตใจแล้วจําเป็นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ต้องการความสุข ทางด้านจิตใจพวกเราไม่จำเป็นจะต้องอบรมการนั่งสมาธิ ค, คือการอบรมหัวหน้าถ้าว่าหัวหน้าดีการงานนั้นก็ดีไปด้วยแต่ถ้าหัวหน้าเกเรหัวหน้าเป็นนักเลงหัวหน้าไม่ดีธุระการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ดีไปด้วย เพราะนั้นหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งจะต้องเด็กรับการอบรมในการแนะนําในทางที่ถูกต้องหัวหน้าคืออะไรคือใจมโนโุพังคมาธรมามโนเสถามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านจึงถือว่าหัวหน้าเนี่ยคือใจจะต้องได้ไดรับการอบรมได้รับการแนะนําให้ถูกต้อง คนคิดยังไงในเมื่อคิดดีแล้วการพูดก็ดีไปด้วยการกระทําก็ดีไปด้วยแต่ถ้าว่าการคิดไม่ดีไม่ได้รับการแนะนําไม่รู้จักศีลธรรมไม่มีคุ ณ, คณธรรมศีลธรรมในจิตใจหัวหน้าไม่ได้รับการอบรมหัวหน้าขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมในใจการพูดออกมา ก็ไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธลงการกระทาออกไปก็ไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธลงเหมือนกันเพราะว่าใจไม่ได้รับการอบรมแต่ถ้าว่าใจได้รับการอบรมดีแล้วจะพูดออกไปก็มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมใจเขาใจเราการพูดกระทบเขากระทบเราการกระทาเขา เขาเรารู้จักความพอดีรู้จักความถูกต้องอันนี้คือคนมีธรรมคนใจที่ได้รับการอบรมดีแล้วเพราะนั้นหัวหน้าคือใจเนี่ยจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมเพราะนั้นจึงพูดได้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจำเป็นมากไหมที่มนุษยชาติ ทุกหมู่ทุกเราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ตามความรู้และความคิดของผมเองผมว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขท่าน ก, กระวาดญาติโยมท่านก็สอนว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่สําหรับพระไม่มีสมบัติท่านกระวาดศีล สมาธิปัญญาจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติสำหรับญาติโยมถ้าว่าเราไม่มีทานเมื่อคนขาดทานเป็นคนขี้ตีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวงสาคณาญาติตตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่จะมาพึ่งพาอาศัยเราก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเราไม่มีน้ำใจ เรามีฐานะคือการเสียสละให้แก่เพื่อนมนุษย์ชาติต่อสัพสัตทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องทานเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแนะนําพระพุทธองค์เองเกิดมาพบใดชาติใดในการบําเพ็ญของพระองค์อย่างชาติพระเวททันดอนพวกเราคงจะได้อ่านได้ศึกษา ถ้าถาว่าพวกเรายุคนี้สมัยนี้คนคิดแต่หนีทีเหนียวเขาก็บอกว่าพระเวทท่านรอนี่โง่ชะมัดมเสียสลัของตัวเองให้ปอบแก่คนอื่นแต่พระพุทธเจ้าสิทธิฐานั้นท่านเสียใจไหมที่ท่านได้ไปทําทานมาแล้วมาในชาตินี้พระพุทธเจ้าได้จับจะรู้ทำเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังเอามาพูดเอามาตัดเอามาแนะนําสั่งสอนว่าการกระทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นหนทางสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นหนทางผู้ที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานพวกคนมีน้าใจไปณสถานที่ใดทินใดพี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคนาญาติเป็นที่ยอมรับของใครๆทั้งหมดแต่ถ้าว่าคนไม่ยอมเสียสละไม่มีน้าใจแก่ใครเดินไปหาเขาเขาก็ปิดประตู ไม่ตอนรับขับสูหนีหมดเพราะว่ากลัวไม่รู้จะมาไม้ไหนเพราะคนไม่มีน้ำใจคนไม่มีคุณธรรมจีนธรรมจริยธรรมในใจแต่ว่าหากคนที่มีน้ำใจแล้วไปที่สถานที่ใดที่ใดเขาเปิดประตูรับใครๆก็อยากจะเป็นญาติเป็นมิตรอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นฝูงอยากเข้าไปใกล้แต่ถ้าพากคน ไม่มีน้ำใจแล้วหนีห่างเพราะเหตุไรเพราะว่าอันตรายจากมนุษย์เพราะนั้นเรื่องทานะการเสียสละเป็นแนวทางและเป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนพระบริษัทของพระองค์การให้ทานะคือาการให้ทานะไม่ใช่จะให้สมบัติให้ความรู้ให้ความฉลาด แนะวทางในการน้ของชีพของเขาหรือว่าเขาหลงทางไปนในทางที่ไม่ถูกต้องแนะแนวให้เขาสอนเขาบอกกล่าวเขาการล้วนแล้วจะเป็นฐานะคือการทานทั้งนั้นวิทยาทานธรรมทานศินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนมีศินจะไปที่ไหนก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ จะทาการงานที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมถาว่าคนไม่มีศินเข้าไปนะักถิ่นใดที่ใดเขาระแวงแคลงใจว่าเมื่อเข้าไปทาเกี่ยวกับการเงินอย่างนี้คนไม่มีสินเข้าไปเกี่ยวกับการเงินตรวจแล้วก็ตรวจอีกดูแล้วก็ดูอีกเช็คแล้วก็ชิปอีกยิ่งมีประวัติในทางที่ไม่ดี ดูแล้วยิ่งหาความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ถึงจะเฉลียวฉลาดในการวิธีธการทําบัญชงบัญชีเท่าไหร่ไอ้คนที่เกี่ยวข้องไว้ยิ่งระแวงสงสัยมากไม่รู้มันจะออกมาเลี่ยมไหน mm hmm. เล่ยเลี่ยมไหนเพราะมันฉลาดเพราะว่าคนไม่มีสินถ้าคนมีสินแล้วไปทําเกี่ยวกับการเงินกา ร, การทอง ไปอยู่นาทีใดทินใดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นกับวงสาคณาญาติญาติมิตรสหายหมู่พวกเพื่อนถึงถึงยังไงเขาก็ไม่เอาประวัติเขาไม่มีที่ไหนตรงไปตรงมาถึงจะทำยังไงตรวจสอบรู้แล้วว่าซื่อสัตว์สุจริตคนคนนี้มือสะอาดไปนั่สถานที่ใดทินใดเป็นที่ยอมรับของหมู่พกเพื่อนเป็นที่ตายใจ เพราะเหตุเป็นพวกเพรเขาเป็นผู้มีศินถ้าจะว่าไปแล้วศินคุ้มครองศินอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติไปในสถานที่ใดถินใดคนมีศินมีจะให้ความร่มเย็นเป็นถุกต่อเพื่อนมนุษย์ชาติถ้าจะว่าไปแล้วสินกับกฎหมายถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกันเพียงแต่เรียก คนและชื่อกันเพราะนั้นเองถ้าคนไม่ชอบกฎหมายไม่รักษากฎหมายเกลียดกฎหมายแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีกฎหมายทุกแห่งทุกคนในชุมชนนั้นต่างคนต่างไม่เคารพกฎหมายคนในชุมชนนั้นจะเป็นอย่างไรเดือดร้อนรุนวายที่สุด เพราะเหตุใดเพราะไม่มีไม่มีกฎหมายบังคับรักษากฎหมายไม่ได้ไม่มีใครที่จะบังคับคนให้ถือกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนขาดศีลมากๆชุมชนใดชุมชนนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่าศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอ่อนยิ่งกว่ากฎหมายกฎหมายนั้น ควบคุมดูในที่แจ้งจะอยู่ในทีล่ลับกฎหมายควบคุมไม่ได้ทำไมเพราะควบคุมไม่ได้ถ้าคนไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจอวดอปะคือความกลัวต่อบาปเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำคนมองไม่เห็นคนไม่เห็นในขณะที่เขาทากฎหมายก็เอาผิดกับเขาไม่ได้เขาก็พูดโกหกหน้าตายเฉย ว่าเหตุไรเพราเขาขาดทำในใจแต่ศีลของพระพุทธเจ้าเลยละเอียดกว่านั้นถ้าหากว่าขาดศีลคนนั้นก็คือขาดทำคือความถูกต้องถ้าหากว่าขาดธทำคนใดขาดทำคนนั้นก็ขาดศีลคือความประพฤติเพราะศีลและธรรมเป็นของคู่กัน ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลธรรมเป็นของคู่กันศีลธรรมของพระพุทธเจ้าคุ้มครองทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งด้วยถ้าว่าความชั่วแล้วทําไม่ถูกต้องแล้วถึงจะทําในที่รับก็ผิดถึงจะทําในที่แจง้งก็ผิดท่านเปรียบเทียบเหมือนกับไฟกับน้ําแข็งอนี้ น้ำแข็งคือเย็นไฟคือของร้อนถ้าว่าเราไปจับของร้อนจับไฟจับในที่มืดปิดประตูให้หนีไม่มีใครเห็นมันก็ร้อนจับในที่เปิดเผยก็ร้อนเพราะเหตุใดเพราะไฟถ้าจับน้ำแข็งล่ะถ้าจับน้ำแข็งจับในที่มืดจับในที่แก่จับในที่สาธารณะก็เย็น ถ้าจะเปรียบเทียบสองอย่างไฟก็คือความชั่วน้ำแข็งก็คือความดีความดีตัวนี้ถึงจะปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอันนั้นก็คือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมความถูกต้องดีงามสำหรับตนเองรละลึกขึ้นเมื่อไหร่จิตใจของเราก็ชุ่มชื่นเบิกบานมีความร่มเย็นเป็นฉุกในจิตใจลึก เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ไม่ดีแต่ถ้าว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีถึงใครจะไม่รู้ไม่เห็นในใจของเราเราก็เดือดร้อนคิดมาเมื่ อ, อไรมันกบเป้า อ, อยู่ในใจมันก็เหมือนกับไฟเป็นฐ่านอยู่ในจิตใจเปิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็ไหม้วับวับอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมชั่ว อย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเดือดร้อนเผาผ่านเมื่อภายหลังนี่อันนี้คือพระพุทธองค์ที่ตตรัสเอาไว้สองพันกว่าปีพวกเรานำมาคิดมาพิจารณาดูซิว่านี่หละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นถูกต้องไหมอันนี้คือหมวดสินกฎหมายก็ดีศินก็ดี คาว่าศีลก็คือกฎหมายของพระเป็นเครื่องปกครองของพระสงฆ์ส่วนธรรมนั้นก็เป็นเครื่องคุ้มครองทาง จ, จิตใจ้าว่าศีลครรมนี้มีตั้งแต่ศีลห้าสหรับฆรวาสญาติโยมผู้มีภาระมากธุรมากการงานมากมีศีลห้าห้าข้อก็เพียงพอถ้าคนมีศีลห้าแล้วตัดรากเหง้าของความชั่วทั้งหลายทั้งปวง เพราะเหตุไรเพราะสินห้าเนี่ยมันเป็นตัดรากเก้าของความชั่วถ้าเราเพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันอย่างปาณอาติปาตาห้ามไมา่ให้ขาดคำว่าไม่ให้ขาก็าว่าตัางกฎหมายบ้านเมืองฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าปลาเที่กฎหมายอนุมัติไม่เป็นโทษแต่สินของพระพุทธเจ้าถึงจะฆ่าใครก็ตาม ใช่เราอนุมัติคนนี่เราอนุมัติให้เขา่าแต่ตัวสัตว์เอง่ตัวเจ้าของของสัตว์เองเขาไม่อนุมัติเขาไม่อนุญาตอย่างคนอื่นมาอนุมัติว่าเอา้าฆ่าหลงพ่ออินนะอย่างเนี้ยแต่ล้งพ่ออินไม่อนุมัติคนอื่นอนุมัติกดจจริงอยู่แต่ลงพ่ออินไม่อนุมัติให้เขา่าเนี่ยเพ ร, ะพราะผู้ใดเจ้าท่านต้องเคารพสิท ทุกตัวต้องให้สิทธิ์ให้ความเสมอภาคกันเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านคุ้มครองอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่ากันเพราะเขาเราเราเขามีคุณค่าเสมอกันแต่โดยมากคนยนุคนี้สมัยนี้ถ้าไม่ฆ่าเราจะได้กินอะไรอันนี้แสดงว่าเห็นแก่ตัวเข้ามาแล้วถ้าเราไมา่เนยให้เขาฆ่าเราเขาจะกินอะไร เราจะยอมไหมเราก็คงไม่ยอมคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็คงไม่ยอมแต่ทําไมพระพุทธเจ้าท่านโง่ถึงขนาดนั้นหรือท่านจึงบัญญัติสินก็รู้อยู่แล้วเ่ยเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกยุคไหนสมัยไหนทําไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินพระพุทธเจ้ารู้รู้ทางรู้รู้หมดทุกอย่างรู้รอบขอบคิด พระพรธองค์บอกว่าถึงจะบัญญัติไม่ให้ฆ่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไอ้พวกที่มันฆ่ามันก็มีอยู่บัญญัติไม่ได้แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยไหมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนียพวกเราเห็นด้วยไหมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าใครเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าคนนั้นก็ต้องงด เพราะว่าเขามาฆ่าเราเราก็ไม่พอใจถ้าเขาเราไปฆ่าคนอื่นเขาจะพอใจอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจพราะพระพุทธเจ้าพูดถูกในเมื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่พูดถูกแล้วาข้าพเจ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดที่บัญญัติสินเนี่ยข้าพเจ้าคนหนึ่งจะไม่ฆ่าอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยอย่างหลวงพ่อนี่หลวงพ่อจะไม่ฆ่าเพราะเหตุไรเพราะเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้า เพราะว่าการฆ่าคนอื่นแล้วก็เขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเราไปฆ่าคนอื่นเขาจะดีใจอย่างนั้นใช่ไหมเขาคงเสียใจเหมือนกับเราเพราะนั้นเราเห็นคุณฆ่าพระพุทธเจ้านะี่ยพูดถูกฆ้าพระเจ้าคนหนึ่งจะไม่ฆ่าจะเชื่อฟังคําของพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีนี่แหละถึงคนอื่นไม่เห็นด้วยเขาก็ทําทไป ใ่เมื่อเขาทําไปจนกว่าเขาจะเห็นโทษเมื่อไหร่เขาก็อยู่เองพอเจอเข้ากัาเขาเมื่อไหรเมื่อนั้นแ่ะเขาจะรู้แต่ไม่หม่เขาก็ไม่รู้เอาฆ่ามันเลยแต่พอเขามาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองมันร้องโหมร้ อ, อ, อรงไห้ถึงเสียอกเสียใจโอ้ก็ะลึกถึงโอ้ท่าว่าคบคนเป็นผู้มีสินซะพ่อแม่พี่น้องของเราระคงจะไม่ถูกฆ่ า, อ, าอันนี้ก็คือผู้เห็นโทษ ในการเปลี่ยน เ, เนี่ยสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมให้ความคุ้มครองทุกคนไม่ได้เลือกตัวเล็กตัวใหญ่ชาติชัช้นบรรณะไหนเนี่ยสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างมากถ้าเรามาพิจารณาไตรตรองดูแล้วพิจารณาดูแล้วข้อที่สองอธินาทานก็เหมือนกัน ถ้าเราไปขโมยของเขาก็เป็นอย่างไงการ ม, มีสมิทธิ์ฉายานก็เหมือนกันสามีปัญญาลูกเก่าเล้าหลานของใครของเขาของเราเป็นอย่างไงการมุษาโกหกคนอื่นเขาเขามาโกหกเราเป็นอย่างไงเราดีใจไหมเมื่อเขามาโกหกเราต้มตุนเราหลอกลวงเราเสียหายอย่างมากเนี่ยนั้น เราควรจะเคารพเขาเขาก็ควรจะเคารพเราเนี่คือสินของพระพุทธเจา้าสินสุราเมระยะมัชฌะประมาก็เหมือนกันการดื่มสุราเป็นยังไงการมเมาทั่วบ้านทั่วเมืองทุกแห่งทุกผนเป็นยังไงทรัพยากรของประเทศชาติขนาดประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นสงกรานต์ปีใหม่เราก็เห็นแล้วว่า ตายไปเท่าไหร่แต่ละวั น, นอีกเรามาเดินครับสรุปรับปีหนึ่งตายเพราะตัวนี้เท่าไหร่ถ้าพิจารณาดูแล้วถ้าว่าเมาเหล้าแล้วเขาเอารถมาชนเราเนะ่ยเป็นไ ง, มงเมาเหล้าเต็มที่แล้วเราเอารถไปชนเขาละ่ะเป็นยังไงอันนี้เราจะรู้ได้เมื่อถึงจุดนั้นแต่สายไปเสียแล้วบางครั้งนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิน ให้พวกเราพุทธบริษัทสําหรับครว่าตควรจะรักษาศีลอะไรศีลห้าศีลโอโมสถสําหรับพระสงฆ์รักษาศีลอย่างไร2องร้อยยี่สิบเจ็รักษาศีลสิบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติล้วนแล้วแต่มีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองแต่บัญญัติมากน้อยขนาดไหน แต่ถ้าว่าคนในชาติไม่มีฮิลิคคือความละอายแก่ใจโอตปะปาคือความกลัวต่อบาตรสองอย่างเท่านั้นเองกฎหมายที่ตั้งมาทั้งหมดนั้นไร้คุณค่าเพราะเหตใจเพราะคนในชาติไม่มีฮิลิคและโอตตะปะไม่มีคุณธรรมในจิตใจเพราะนั้นถ้าว่าอยากจะให้คนในชาติร่มเย็นเป็นถูกต้องสั่งสอนศุนธรรมเข้าสู่จิตใจให้รู้จักใจเขาให้รู้จักใจเรา เราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงถ้าเราต้องการความสุขเราก็อย่าเบียดเบียนเขาหางสุกิโตโหมิอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยขอเข้าไปเจ้าจงเป็นสุขสัพเพสัตตาสุกิตาหนตุขอสรรเสริญทั้งหลายจงเป็นสุขนี่แหละอันนี้คือทาคําสั่งสอนของพระพุทธ เ, เจ้าถ้าพวกเรานํามาปัดฝุ่นเอามาพูดเอามาชี้แนะ เอามาพูดกันโดยความเป็นธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยท่านสมัยอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเว้นเสียแต่พวกเราเอากิเลสเข้ามาเห็นแก่ตัวเข้ามาเอากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธโลงเข้ามาแล้วมองธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของคือของล้าสมัยตัวเองอยากจะรับผลคือความร่มเย็นเป็นสุข ไม่อยากจะทำเหตุไม่อยากจะสร้างเหตุไม่อยากปฏิบัติเหตุเหมือนกับคนไม่ต้องการรักษากฎหมายแต่อยากจะให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ตัวเองทำผิดกฎหมายแต่คนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นผู้รักษากฎหมายอย่างนั้นะสรุปแล้วก็คือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ชาติความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมาในชุมชนและสังคมพวกเราได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าจะรักษาจากไหนไปในเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนศีลธรรมให้แก่มวลมนุษย์ข้าไปเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลนับหนึ่งจะข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เข้าไปเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์เข้าไปเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในการมข้าไปเจ้าจะไม่ไม่กล่าวมุสาเป็นไม่พูดมุสาไม่โกหก ข้าพเจ้าจะงดในการดื่มสุราโดยเด็ดขาดถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างข่าพ่อข้าแม่อะได่าพ่อด่าแม่ด่าลูกด่าเมียทุกอย่างได้เพราะคนขาดสติคนเป็นบ้าเพราะนั้นข้าพเจ้าจะงดในการดื่มสุราโดยเด็ดขาดหลวงพ่อยังเคยพูดท่านพูดเป็นชาดก ของพระเจ้าพราณาีพระเจ้าพราณาศีนี่ชอบดื่มสุราเมาอยู่ตลอดไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนเมาตลอดต่อมาพระเจ้าพราณาศีมีอัคคะมเหสีต่อมามีลูกพอไม่ลูกอะอคคะมเหสีก็ เ, เอาลูกขึ้นมาให้จารนันก็มานั่งบนพระเพลาคือบนปักขังนก็อ่านคำวิไัยไฉ กับลังอ่านอยู่อเพราะฉะนั้นพ่อครัวเขาก็ยกอาหารไม้พอยกอาหารไม้ที่ตามปกติพระเจ้าพระราสีเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้อันนี้ก็คือสุรากับของขับแก้มเนี่ยมันเป็นมันไปด้วยกันถ้ากินสุราเข้าไปแล้วเนี่ยขาดของกลับ ข, ของแก้มเนี่ยไม่ได้พวกเนื้อสัตว์ ทะเพระเจ้าพระนรีเห็นอาหารที่เขายกมาให้มีแต่พวกผักพวกไม่มีเนื้อเลยท่านก็โมโหขึ้นมาจริงๆเฮ้ทำไมไม่เอาอาหารมาให้เอาเนื้อมาให้เรากินพ่อครัวเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพระไม่ได้ไม่ได้เก็บเนื้อไว้เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เฮ้ทำไมเมื่อวานทาไมไม่เก็บไว้ให้เราทำอย่างนี้ได้ยังไง คือสรุปแล้วพระราชาโกรดโมโหโดนตวาดอย่างนี้ขึ้นมาคนทั้งหลายใครใครจะว่านด้เพราะกฎหมายอยู่กับพระราชาเขาดาบตัดคอใครเขาได้ในช่วงนั้นเพราอารมณ์ของท่านโมโหขึ้นมาแล้วมันขาดสติใช่ไหมไอ้คนเมาจากนั้นท่านกคว้าลูกของท่านอยู่ในตักมันบิดคอเลยไปไอ้เอาไปทําอาหารไปคือการกระทำอันนั้นก็ไม่รู้จักว่าตูอันนั้นคือใคร อาจจะว่าถือว่าเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้เป็นไข่ก็ได้บีดคอเปโยนเลยใครก็พูดอะไรไม่ออกในเดียวนั้นพ่อครัวก็รีบไปก็รีบออกไปกจัดอาหารเข้ามาแจดอาหารเข้ามาเออกินพอเห็นแล้วเป็นอาหารเออเนี่ยอาหารแต่ไม่รู้ว่าเป็นอาหารอะไรที่แทบเป็นเนื้อลูกชายของตงนเองพอจะได้กินกับเราอีก พอจากนั้นเสร็จแล้ว ก, กลางคืนก็พักผ่อนไปนอนพอนอนตื่นขึ้นมาสางเมาเลยก็ถามอัครมเหสีว่าเอาลูกของเราไปไหนอัครมเหสีว่านอนไม่หลับทั้งคืนนอนงั้นเถอะกระสับกระสัายพระองค์ถามทำไมพระองค์ถักพอลูกเมื่อคืนให้พ่อครัวไปทำอาหารพระเจ้าพาณในยีหินเพียงแจ่นั้นโนโห เราทำไมขนาดนีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปพระองค์เลยตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าเกิดมาไม่ใช่แต่ในชาตินี้เกิดพบในชาติใดก็ตามข้าพเจ้าจะงดเล่าโดยเด็ดขาดไม่ว่าแต่ในชาตินี้ข้าพเจ้าเห็นโทษอย่างสุดๆในการกระทำของเราคนขาดสติแล้วคนเป็นบานแล้วสามารถที่จะทำความชั่วไดทุกอย่างโดยการขาดสติของตนเอง นีหละอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งพวกเราคิดดูว่าคนที่เมาเหล้าทําได้ไหมอย่างนั้นทำยำหน้าจในมือแล้วหลวงพ่อว่าทําได้เพราะว่าอํานาจอยู่ในมือแล้วก็พร้อมกับความเมาเพราะกบขาดสติด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สินห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติให้พวกพทับริษัทอุบาสกุบาสิกาประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าจะว่าแล้ว พูดไปแล้วพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อโลกอย่างมากการยุคใดสมัยใดมีศีลห้ายุคนั้นสมัยนั้นความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราต่างว่าพวกเราขาดศีลธรรมมากๆในยุกใดสมัยใดความเรือดร้อนพูนวายความไม่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแน่นอน ต้องเกิดในยุคนั้นหาความไว้ใจกันไม่ได้นี่แหละศีลวันนี้ได้พูดหลวงพ่อได้พูดกล่าวเึ่งศีลให้พวกเราได้ศึกษาเพราะยุคนี้สมัยนี้คนขาดศีลและธรรมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทาออกไปถ้าไม่เห็นในการกระทาจริงๆ จะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจับกับความชั่วของคนไม่ได้เพราะโกหกแล้วคนที่ชอบทําความชั่วอย่างนั้นถ้าเห็นใครเป็นพยานให้หรือว่าใครว่าเห็นคนนี้ทำอย่างนี้เห็นเห็นการกระทําของเขาเขาทําอย่างนั้นจริงๆไปเป็นพยานศารไอ้คนที่เป็นพยานศารนั้นนะความปลอดภัยก็ไม่ไม่มีในในตัวของเขาอีก แล้วใครจะไปยุ่งถิ่นผลที่สุดก็ตัวใครตัวเราทาไม่ใช่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจริงๆเห็นเป็นนั้นว่าเป็นสกิบพยานไม่ได้คนนั้นโลกทั้งโลกยังจะไปที่ไหนก็ต้องเตรียมสัตร์อาวุธไปพร้อมเลยถิ่นเพราะนั้นมีคัสัญญีแล้วคนในโลกนี้จะจะเดือดร้อนหุ่นวายกันเกิดขึ้นเพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะขาดคิดธรรม ของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านะไปที่ไหนก่อนระแวงแคลงใจไม่ไว้เนื้อช่วยใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะหความสงบพรมเย็นเป็นสุขได้จากที่ไหนเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณ า, นานด้วยเหตุและผลแล้วทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือพูดเรื่องศีลแต่พูดเรื่องสมาธิที่ไห สมาธิคือทาจิตใจให้มั่นคงจิตใจให้แน่วแน่จิตใจให้เป็นหนึ่งจำเป็นไหมสำหรับผู้ที่คนสามัญชนทั่วๆไปจะฝึกหัดนั่งสมาธิาก็ยังได้กล่าวเบื้องต้นว่าถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสมาธิเพราะเหตุไรเพราะคนที่ขาดจิตขาดติตมากๆบางทีมีอารมณ์ โมโหโทโ่โศหรือว่เสียอกเสียใจคนขาจะติดจิตใจเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวจิตใจปุ่มฟุ้งซ่านพวกเราคิดดูกันแล้วกันจะหาความสุขได้ไหมมีแต่โรคประสาทหรือความโรคบ้าหรือโรคประสาทจิตปุ่มฟุ้งซ่านต้องต้องหายาระงับประสาทให้กิน เพอร์เพอรก็ส่งเข้าโรงพยาบาลศีรษะธรรยามหาโพธิ์เพราะเหตุใเพราะว่าเราคิดปรุมฟุ้งออกไปข้างนอกมากจนเกินไปแต่ถ้าว่าคนที่มีสมาธิคนที่มีจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเป็นสมาธิรู้จักวิธีการนั่งสมาธิรู้จักวิธีการกำหนดจิตกำหนดใจคนจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้คนที่นั่งสมาธิแล้วนี่งสงบ ว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็เข้ามาสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตเป็นหนึ่งให้มีสติอยู่กับตัวเองการเคลื่อนไหวของตัวเองให้มีสติการเคลื่อนไหวของร่างกายของตัวเองถ้าเมื่อคนมีสติอยู่กับตัวเองอย่างนั้นจะเป็นบ้าเป็นบออย่งงังไงถ่ายไหมเป็นไปไม่ได้เพราะสติของเราดีคนที่ขาดสติ คือคนบ้าใช่ไหมใช่คนที่ขาดสติมากๆบ้าแน่พราะนั้นจําเป็นไหมที่คนจะต้องปล่อยไม่ให้มีสติปล่อยปัจจัยเลยถ้าปล่อยมากไปย่างที่ว่ า, าต้องไปรักษาอย่างนั้นถ้ามีสติสมบูรณ์ขึ้นมานเหมือนพระอรหันต์มหาสติมหาปัญญาไม่มีเผอตสติสมบูรณ์ที่สุดนี่แหละสมาธิก็จําเป็น ที่จะต้องฝึกขัดสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจถ้าเกิดขึ้นมาแบบ ล, ลอยๆอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ธรรมในวันเดือนหกเพนท่านกําหนดอะไรก่อนที่จะท่านจิตใจของพระองค์จะเข้าสู่สมาธิเป็นหนึ่งเกิดยามาทัศนขึ้นมาพระพุทธองค์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้น อ, อกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นนันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธทเจ้ากรรมฐานของสิทธัตถะในวันเดือนหกเพนจากนั้นปีพระองค์เข้าสู่ความสงบแม่โอแน่เป็นหนึ่งนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็เดินเกิดญาณ ร, รัชนะ ตามขั้นตอนจนได้ตัดสรุธรรมเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกุญแจดอกแรกเลยคือจุดนี้คือสมาธิเนี่ยที่จะเดินเข้าสู่ปัญญาจากนั้นก็ติภพระองค์ุดพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติ ถ้าหอกพวกเราต้องการความสงบพร้มเย็นเป็นสุขในตัวเองชุมชนและสังคมต่อโลกแล้วาการประพฤติปฏิบัติทำอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวควรนั้นคนนั้นควรจะทําคนนี้ควรจะประพฤติปฏิบัติเราพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นข้าพเจ้าคนหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาศีลเพราะข้าพเจ้าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวเห็นโทษแล้ว ศีลห้าเนี่ยมีประโยชน์จริงสําหรับผู้พระพฤทธปฏิบัติข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถึงจะไม่บริสุทธิ100์ร้อยเปอร์ซ็นตข้าพเจ้าคนเห็นว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถึงข้าพเจ้าจะรักษาไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็เทิดทูนบูชาว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเราต้องคิดในใจอยู่เสมออีกสักวันเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นเราคิดอยู่อย่างนั้นเราก็คงจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทีละนิดทีละหน่อยทีเะนิดทีละหน่อยผลที่ททสุดก็สินของเราขอบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะเป็นหน้าที่ของพวกเราดึงสินสมาธิและปัญญาปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาปัญญานี่ยคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นคำถามคำตอบของชุมชนและสังคมเหมือนกันปัญญาทางโลกพวกเราก็พอจะรู้ได้คนที่มีปัญญา เรียนจบปริญญาตรีโทเอกเอกหลายแขนงโปรฟิเซอร์แต่และแขนงอีกอันนี้ถือคือปัญญาคนที่มีไอคิวสูงคนที่มีปัญญา EQ ไอคิว EQMQ คนรู้จักรับผิดชอบนี่อันนี้แปลว่าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาทางโลกนั้นรู้จักท ร, รมาหาเลี้ยงชีพ การทรมาค้าขายการรู้จักเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าไม่ให้คนอื่นเอามารัดเอาเปรียบเราเราทันได้เหลี่ยมเขาการทำมาหาเลี้ยงชีพมีนิำคำทรัพย์สมบัติเพราะใช้ปัญญารรมาค้าขายอันนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันมีหลายระดับขั้นปัญญาตลอดถึงสัตว์ รู้จัวิธีหากินญาติจุดไหนไปยังไงกับปัญญาเหมือนกันหมาก็เหมือนกันที่พวกเราเห็นหมาบางตัวก็ฉลาดบางกุตัวก็โง่มันอยู่กับทุกดวงวิญญาณของสัตว์สัตวทั้งหลายเรื่องความโง่ความฉลาดความฉลาดนั้นก็คือปัญญาความโง่นั่นก็คือคนไม่มีปัญญาการเรียนโรงเรียนศึกษาก็เช่นเดียวกัน แต่นหลักของพระพุทธศาสนานปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาอริยะพระอริยะหรืออริยะปัญญาปัญญาที่ถูกต่องสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐินั้นคือปัญญาอะไรอันนี้พวกเราควรจะศึกษาที่พระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาที่จะออกจากโลกวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นล่ะคือปัญญาที่แท้จริงถ้าว่าปัญญา พวกเราทำมาหาเลี้ยงชีพตัางเรื่องต่างๆอันนี้คือปัญญาอยู่ในโลกจะต้องวกฝนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สุดท้มประมาณไม่ได้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็คืนมาแบบนั้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนให้เห็นตามความเป็นจริงอันดับแรกอย่างพระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อพระที่เขามาบวชท่านก็ให้กรรมาฐานห้า เกษาผมโลมาผลนขาเล็บทันตาฝันตะโจหนังทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้สอนอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยหลงร่างกายตนเองในเมื่อหลงร่างกายของตนเองแล้วก็หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาสักหลงพี่หลงน้องหลงร่างกายของคนอื่นหลงไปหมดทีนี้ในเมื่อหลงแล้วก็ทีนี่ มืดมัวมืดมนบนตะการคือสอบแสวงหาคิดว่าจะมีความสุขในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันหลงร่างกายเป็นอันดับแรกเพราะพระรัตนพุทธเจ้าท่านไม่หลงไม่หลงร่างกายท่านบอกร่างกายของของเราเนี่นะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเดือยในกระดูก ม, ม้ามหัวใจจับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเรามันไม่ใช่ของจิรังถาวรไม่ใช่ของมั่นคงถาวรนะ ให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงในละธรรมะก็คือให้พิจารณาตามความเป็นจริงปัญญาแต่นี่คือเห็นตามความเป็นจริงผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเปไน็นยัไงเนื้อเปไน็นยัไงกระดูกเปไน็นยังไงเรามีเหมือ น, หออหอนออหเหมือนกระดูกของสัตว์สัตวทั้งหลายมีไม่แพ้กันตับลำไส้ปอดอะไรมีไหมเหมือนกระดูกมีในตัวของเรา เพราะนั้นเราเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วอันไหนคือร่างกายของเราผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเราหนังเป็นของเราไม่ม่มันไม่ใช่ของเราเกิดมาแล้วเราอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะบอกไม่ได้ในเมื่อบอกไม่ได้จะเป็นของเราได้อย่างไรเป็นของเราได้ไหมครับเราบอกไม่ได้ใช่เป็นของเราไม่ได้ มันอยู่ในกฎของอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงขนาดร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องนอนทับโสมแผ่นดินแล้วเราจะไปยึดวา ร, รัางกายเป็นของเราได้อย่างไงเมื่อไม่หลงกายเทานัตติสิ่งเราอื่นก็ไม่หลงรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่ารู้่านทั้งหมดเรานั่นคือไป พวกเราเกิดถุงใส่เรานั่นคือใครเรานั่นคือใจในร่างกายของคนเรามีอยู่สองอยู่ในนี้มีนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายตั้งแต่หัวจุเท้าเนี่ยว่ารูปธรรมที่มองเห็นกันอยู่แต่นามธรรมนั้นคือใจความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นถือว่าเป็นเจ้าของของร่างกาย ถ้าว่าเราพิจารณาดูแล้วเอาใจตรงนั้นนะพิจารณาดูว่าร่างกายเนี่เป็นของเราใช่ไหมถ้ามันเจ็บเป็นอย่างนั้นใช่ไหมช่ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยกันอยู่เฉยๆอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีออกจากครางนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วเราต้องหนีออกไปจากครางนี้ในเมื่อหนีออกจากครางนี้เราไปเกิดที่อื่นนะเรา อ, ออกจากไปป ฏ, ฏิสนธิที่รือไปเกิดที่อื่นนีไปเกิดที่หลุหลงที่อื่นนี้ นี่แหละวัตวุน์เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยกขายย่าหลงร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขณาตามไม่ใช่ตัวตนของเราเีิตว่าพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือร่างกายอันนี้คือใจใจก็คือใจร่างกายก็ ค, คือร่างกาย เป็นของส่วนคนระส่วนการัิเป็นของคนละอันกันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่ออยู่กับร่างกายเราก็อยู่ได้แต่อีกสักวันเมื่อร่างกายแตกสลายใจของเราก็ออกจากสร้างไปเลยทิ้งไปเลยถ้าว่าจิตใจของเราชำระกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดทะรู้ธรรมท่านก็วางกายของท่านพิจารณาวางกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของท่าน เป็นพระอาหารหัเป็นพระพุทธเจ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงท่านก็เป็นผู้บริสุทธิทธ์ดุจพ้นเพราะเมื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะความปล่อยวางของท่านท่านชาระใจของท่านให้หมดจดจักกิเลส ท, ที่จะทำให้เกิดอีกคือใจของท่านกิเลสทาคะกิเลสโทสะกิเลสมหะในใจของพระองค์ท่านทุกอง ท่านชำระออกแล้วใจบริสุทธิ์แล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดดิพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองธรรมะเนี่เป็นปัจจิตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจริงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมีที่สิ้นสุดมีที่จบลงได้ด้วยตูวแจ้งเห็นจริงด้วยใช้ปัญญา สัมมาทิฏฐิปัญญามิจฉาทิฏฐิก็มีนะอันนี้ปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้ตามความเป็นจริงจากนั้นก็ปล่อยวางถ้าว่าพวกเราไม่ได้นสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆจากนั้นก็มีอะไรก็ยึดเกาะไปตามเรื่องถ้ามีความทุกข์เข้ามามาหาเรา เราก็ไม่รู้จักทางหนีทีไร่เหมือนกันไม่รู้จักทางออกว่าถือว่าเป็นของเรานั่นแหละเทนีเพราะนั้นทางาพอพกเรารู้ต่างความเป็นจริงแล้วมันรู้จักทางออกทางหนีทีไร่เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็นั่งสมาธิหรือพิจารณาอาเห็นตามความเป็นจริงเอยถึงยังไงร่างกายของข้าพเจ้าเนี่ยถึงจะรับ สงวนห่วงแหนขนาดไหนไม่ว่าจะเสี่ยงภายนอกร่างกายของเราแท้ๆเราก็รจต้องทิ้งสักวันหนึ่งเราเอาไปด้วยไปได้เห็นไหมปู่ย่าตายายของเราทิ้งกันมาเป็น ท, ทอดเราจะเอาไปด้วยได้เหรือเราคงจะเอาไปด้วยไม่ได้เหมือนกับท่านเหล่านั้นในขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะจะทำดีที่สุดไม่ให้ใครเดือดร้อนแล้วกับคนอื่นจะมาทําให้ข้าเดือดร้อน ข้าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนข้าจะสังสมทะคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นแล้วนั่งสมาธิดูแล้วในร่างของเรานะี่มีอยู่สองคือกายกับใจใจได้ไม่ตายใจนี่ใจนี้ไปปฏิฝนที่ไปหาเกิดในที่อื่นได้เพราะฉะนั้นควรจะสังสมบุญเข้าสู่จิตใจไม่ใช่กายนะแต่กายกระทาออกไปการให้ฐานรักษาสิ่งคือกายกายกระทําแต่ใจเป็นคนสั่ง ต่บุญกุศลที่หลั่งไหลเข้ามาก็คือเข้ามาสู่ใจ ใ, ใจเป็นคลังของบุญบุญใจเป็นคลังของบาปใจเป็นบัญชีของบุญใจเป็นบัญชีของบาปเราทําความดีความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังสมแต่คุณงามความดีสังสมแต่บุญกุศลเกิดมาพบใครชาติใดถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจิตใจของเรายังไม่ตัด ขา้าจากกิเลสราคาโทสะโมหะบุญกุศลเกิดยังเกือ้อกูลหนุนเราไปสู่ความสุขความเจริญเกิดพบในชาติใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอนิสง์ทานศีลภาวนาเกื้อกุลหนุนพวกเราแต่ถ้าบอกพวกเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สังสมบุญกุศลไปแล้วเกิดพบในาชาติหน้าก็พวกเราคงเห็นมากต่อมากคนที่ไม่มีบุญ คนเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในเกิดมาในชาติเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเกิดอยู่ในโลกเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอดๆ อ, อ, อยากๆเพราะเหตุลายเพราะในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าหรือพระใ น, นสงฆ์ทานเขาไม่มีเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเขาไม่ได้ให้ทางรักษาศีลภาวนาเอาไว้ในชาติที่แล้วบางทีเขาก็ใช้กร้ำการกระทําของเขาอีก การพวกเราทุกๆท่นนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวเป็นแนวทางหรือเป็นแนวเป็นแนวข้อคิดสําหรับพวกเราเป็นพุทธบริษัทเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้พราะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใหความเชื่อเฉยๆพระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อเฉยๆไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆพราพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ได้ตัดสู้ทำพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรเลยไออันนั้นเราต้องมาวิเคราะห์อีกใข่ควรพบพวนอีกอย่างตรงพ่อพาวิเคราะห์เรื่องสินห้าเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรยังไงสินห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยมีคุณค่าอย่างไรไอ้พวกเราคงจะเถียงไม่ออกเหมือนกันแหละเพราะว่าตัวกเราต้องการความสุขเราจะไปทําให้คนอื่นรดร้อนบุ่นวาได้แล้ว ฉะนั้นจะเห็นแก่ตัวถ้าเราคนอื่นมาทำให้แก่เราล่ะเราเป็นยังไงนี่แหละอันนี้เราพวกเราให้ศึกษาให้วิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าสรุปแล้วพระพุทธเจา้าพระทําคําสั่งสอนของพุทธเจา้าคือพระธรรมคําสั่งสอนหลักเหตุผลถ้าจะบอกวิทยาศาสตก็ใช่เป็นเครื่องที่แตกต้องได้เป็น รูปประธารมขึ้นมาได้เห็นได้แต่แต่ต้องได้รู้เห็นตามความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติได้กรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกรรมชั่วจะทําเฉยดีกว่ากรรมชั่วนั้นยอมเผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าใครกรรมทำกรรมชั่วนะั้นะเขา่าคุกเขา่เขาตลังเดือดร้อนปุ่นวายเขาดกเขาด่เ า, ดาเขาดูถูกเหยียดหยำ่ำเพราะกัน พูดของตัวเองไม่ดีการกระทาของตัวเองไม่ดีการคิดของตัวเองไม่ดีเพราะนั้นออกมาการทําชั่วทำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือการกระทําทางกายวจีกรรก็คือการกระทำทางการพรูดมโนกรรมก็คือการคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนออเดีย๋ยวไปหลวงพ่อของคงติ จบในการพูดเพลงตะนี้ต่อไปตอนนี้ไปเอานั่งสมาธิชั่วระยะหนึ่งนะละคอยเลือกอย่ยาย้ายกันเอานั่งสมาธิ